ก็ขอจเจริญพรญาติโยมนะทุ่มเครึ่องมาเจอกันอตอนนี้ก็เราก็เข้ามาอยู่กันแล้วสามสี่สี่คนเนา ะ, ะ, ะก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามีใครมาบ้างวันนี้จริงๆหลวงพ่อก็มันไม่มีหัวข้อเรื่องหรอกแต่ว่าเออถ้าตั้งไว้ก็ดีอย่างน้อยมันก็จะได้อยู่ในกรอบบ้างนะออแต่จริงๆ่ะ ไม่ต้องตั้งเลยไม่ต้องตั้งเลยก็ได้แต่ถ้าตั้งมานะพอลืมตัวเผลอไปก็มาเห็นหัวข้อปั๊บอ่ามันกระตุกกระตุกให้กลับมาอย่าไปนอกเรื่องอย่าไปนอกเรื่องอย่าไปคุยเรื่องอะไรมันมากคือคุยมากได้แต่ความจริงอะแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่รู้ตัวเนี่ยมันจะต้องคู่กันไปนะเพราะว่ามันมีอาการที่เกิดขึ้นสิ่งที่กําลังปรากฏอันนั้นแหละเป็นทําให้เกิดการระ ล, ลึกรู้มันเป็นเครื่องฝึกสตินะ เป็นเป็นฐานที่ตั้งของสติก็รู้ในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ทําในสิ่งที่คิดหมายถึงว่ารู้สภาวะที่กําลังมีปรากฏอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวก็มีอยู่ก็ระลึกรู้บ้างเป็นระยะเป็นระยะไปนะแล้วก็ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันคิดตลอดแหละแต่เราไม่ใช่ว่าเราต้องมาเพ่งความคิดต้องรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมชาติ <ardon. S 2> ก็คิดไปมันก็คิดของมันแล้วก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ระหว่างที่พูดเนี่ยว่าจาว่าจาก็าาพูดไปก็รู้ไปบ้างบางทีมันก็ไม่รู้เพราะมันหมดแต่รู้เรื่องอื่นก็แล้วแต่แต่การที่ได้ระลึกรู้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิด<อ>สติสัมปชัญญะสติสั<อ>สมปชัญญะเมื่อรู้มากๆรู้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเห็นความจริงในสิ่งที่ถูกรู้ก่อน สิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละคือการพัฒนาจิตธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งถูกรู้ถูกด้วยตัวสติตัวสมาธิแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องสิ่งถูกรู้ก่อนว่าสิ่งถูกรู้เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเออมันมีการปรากฏขึ้นแล้วหมดไปปรากฏขึ้นแล้วหมดไปเรียนรู้มันเนี่ยตรงเนี้ก็เรียกว่าเดินปัญญาเรียนรู้มา ก, มากๆเดี๋ยวมันก็ถ่ายถอนความเห็นผิดเองนะว่าอารมณ์หรืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อก่อน เข้าใจผิดเห็นผิดว่าเออมันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแต่เมื่อเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นนะมันก็จะเข้าใจเองว่าโอ้เป็นสภาวะที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่เราไม่มีส่วนช่วยให้มันเกิดไม่มีส่วนช่วยให้มันดับเป็นเองเรียกว่ามันเป็นเองแล้วก็จะเข้าใจได้ทีนี้เมื่อเข้าใจในส่วนนี้แล้วเนี่ยในส่วนที่ถูกรู้แล้วเนี่ยว่าเออทุกอย่างเนาะที่เป็นสิ่งถูกรู้ มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนเข้า <muitos. S 2> ใจอจะเรียกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ทีนี้ที่มันมีเหลืออยู่ก็คือผู้รู้ผู้รู้เนี่ยฝ่ายที่เป็นผู้รู้สิ่งถูกรู้เนี่ยตัวเนี้มันเห็นยากเพราะว่ามันมัวแต่ไปรู้สิ่งถูกรู้อยู่ก็เลยไม่พบผู้รู้สักทีบางคนเรียนธรรมะมานานมากเลยรู้แต่สิ่งถูกรู้แล้วก็เข้าใจจำแจ้งว่าสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่เร า, เราจำแจ้ง แต่ผู้รู้เนี่ยธรรมชาติรู้เนี่ยอืที่เป็นที่เป็นรู้แล้วก็พูดได้ปรุงแต่งได้เนี่ยรู้อันเนี้ยมักไม่ค่อยรู้จักกทีนี้ถ้าไม่มีคนมาชี้บอกเนี่ยในความรู้สึกหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเข้าใจไม่ได้เลยความรู้สึกว่านี่ถ้าไม่มีคนมาชี้นะให้พบผู้รู้เนี่ยรู้ไม่ได้เพราะหมดแต่รู้เรื่องอื่นอยู่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบแบบง่ายๆก่อนนะเอสมมติว่าสมมติว่าหลวงพ่อ ไปเห็นรถยนต์คันหนึ่งไปเห็นรถยนต์พอเห็นด้วยตาเนาะพอเห็นรถยนต์เสร็จแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องรถว่ารถดีอ่อนนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงะแล้วก็หลวงพ่อก็สามารถอธิบายเรื่องรถนั้นได้เป็นอย่างดีว่ารถเนี้ยเป็นยังไงบ้างความเร็วยังไงอะไรต่างๆรู้ละเอียดคนฟังเนฟังแล้วแบบโอยทึ่งไปเลยว่าโอ้โหทำไมหลวงพ่อเนี่ยมันรู้เยอะจังอ่าใช่ไหมาภาวะแบบนี้ยเท่ากับว่า ตัวเราเนี่ยไปรู้สิ่งถูกรู้อ่าจริงๆฮะตัวเรามันก็เป็นผู้รู้ด้วยแหละถ้าไม่เป็นผู้รู้มันจะอธิบายได้ยังไงใช่ไหม เ, ออเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่กําลังเล่ากําลังบอกกําลังอธิบายเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมีตัวเราไปเป็นผู้รู้ทําไมมีตัวเราไปเป็นผู้รู้ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาอยู่คือไม่รู้ไม่เห็นว่าผู้ที่รู้เนี่ยมันไม่ใช่เราอพอไม่รู้ไม่ มันก็โดยอันตโนมัติเลยยึดผู้รู้มาเป็นเรารู้ไอ้ตรงเรารู้ตรงนี้ถ้าไม่มีคนมาชี้บอกว่ายังมีตัวเราเป็นผู้รู้อยู่มันเห็นไม่ได้แต่ตัวเราอะรู้เห็นแต่เรื่องลอแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าอเอ้อยเอ้อยเอ้ยอ้ยแกรู้เยอะจังเนาะแกเห็นตัวเองไม่ได้ว่าแกยังมีตัวตนเป็นผู้รู้อยู่<อ>ถ้าคนเรียนธรรมะก็พอระลึกได้ไว่าเออวะโหนี่ทําไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้เลย พอมีคนบอกปั๊บอ้อพบผู้รู้เห็นผู้รู้แล้วก็มีคนเหมือกับว่าจะทําให้เข้าใจด้วยปัญญาอีกว่าโตไอ้ผู้รู้ที่พูดได้นี่นะที่เป็นเราเป็นเราเนี่ยมันก็เป็นสังขารเหมือนกันแหละเออเป็นสังขารเกิดดับไม่เที่ยงเหมือนกันก็เหมือนกับสิ่งถูกรู้เพราะฉะนั้นเมื่อพบผู้รู้ว่าเป็นเป็นอขาเรียกว่าเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงเนี้มันถอนถอนความเห็นผิดแบบมากเลยอะถอนจน เหมือนกับว่าเคยเห็นผิดแล้วก็ตอนเป็นนี้ตอนเนี้ยมันเห็นถูกอ่ะมันถอนเลยว่าโอ้การที่รู้ตัวเนาะการที่รู้ตัวเราเนี่ยเพราะตัวเราเป็นผู้รู้เนาะการที่รู้ตัวเราเนี่ยมันหลุดพ้นได้เลยอ่ะเพราะว่าพ้นไปจากตัวเรามันไม่มีอะไรแล้วนี่อสิ่งถูกรู้ก็เข้าใจแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราก็ตัวเราที่เป็นผู้รู้อนะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ้ามันหมดแล้วนี่พ้นจากนี้มันไม่มีอะไรแล้วนี่ อ่าเพราะไอ้ตัวสุดท้ายที่ไปยึดเนี่ยก็คือตัวผู้รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อถอดถอนผู้รู้ไปได้แล้วมันก็เลยหมดอ่าหมดแล้วหมดความมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันก็เป็นว่างเปล่าแล้วว่างจากตัวตนแล้วเ น, นี่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าใจถึงผู้รู้ทําลายผู้รู้เพราะผู้รู้แล้วเนี่ยมันไม่ยากแล้วไงเพราะว่าไอ้ตรงที่ยากเนี่ยคือไม่พราะผู้รู้ไม่รู้จักผู้รู้ไม่เห็นผู้รู้มันก็เลยเข้าไปเป็นผู้รู้เสียเองอพอเป็นผู้รู้เสียเองเนี่ยตัวเนี้มันยิ่งก็เรียกว่า ยิ่งมานะยิ่งอัตตามานะทิฏฐิอ่าก็เรียกว่าเป็นอัตตาตัวตนมีมานะเรารู้เรารู้คนอื่นไม่รู้แต่หารู้ไหมว่าไอเรารู้เรารู้เนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นตัวตายเหมือนกันเนี่ย <c oughs> จะรู้เท่าไหร่มันก็ตายหมดใช่ไหมมันเป็นสังขารไงเกิดดาวเข้าลงตายเข้าลงเหมือนกันอ่าทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเมื่อพบตรงนี้นะขั้นตอนเนี่ยพบผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำล า, า, ายก็คือทําลายความทิฏฐิรู้แจ้งเพราะฉะนั้นที่ ที่รู้อะไรมาทั้งหมดอ่ะที่ประสบการณ์น่ยที่เคยไปเรียนเรียนรู้ไปเรียนเรียนรู้เรื่องธรรมะเนะาะเเมื่อก่อนเนี่ยเอาตัวเราไปเรียนเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปฟังเอาตัวเราไปถามแต่เราอ่ะไม่ค่อยเห็นตัวเราหรอกที่เป็นผู้ไปเรียนผู้ไปไปถามผู้ไปอ่านไปศึกษาไม่ค่อยรู้จักพรามัวแต่รู้จักอย่างอื่นทีนี้พอมาดูย้อนหลังปับ๊บโอ้โหที่ผ่านมาเนาไม่น่างโง่เลย เอาตัวเราเอาอวตารเนี่ยเข้าวัดเข้าสำนักปฏิบัติการเดินจงกรมเกือบตายตัวเรา <c oughs> อเพราะมันเห็นตัวเราเออแต่เมื่อบัดนี้เมื่อเห็นตัวเราแล้วเนี่ยจะไปไหนก็ได้จะไปถามอะไรก็ได้เพราะรู้ว่าผู้ถามผู้ไปมันก็เป็นสังขารใช่ไหมออไปนั่งฟังไปสนทนาธรรมก็รู้จักแล้วว่าไอ้ตัวที่ไปนั่งคุยไปสนทนาธรรมอ่ะมันก็เป็นสังขารตรุงแต่งใช่ไมืมออก็เห็นอยู่รู้อยู่ออมันเอาอะไรมารู่ล่ะอ้าวเนี่ยตัวเนี้ย ที่พูดกันไม่เข้าใจเราว่ามีอะไรเรามารู้ตัวเราอ่ะตรงนี้พูดกันไม่เข้าใจเพราะว่าคนเนี<อ>่ยรู้จักแต่สิ่งถูกรู้แล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักตัวเราอพอไม่รู้จักตัวเรามันก็ไม่สามารถที่จะมารู้ว่าอะไรแหละที่มารู้ตัวเราเเแล้วมันต่างกันยังไงกับตัวเราเอ่ะใช่ไหมตรงนี้ที่หลวงพ่อพูดกันทุกวันเนี่ยที่คนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าไม่มีในคำพีไม่ในไม่มีในพระเตยบิดก มันมีไม่มีหลวงพ่อไม่รู้เพราะว่าไม่เคยอ่านหมดสักทีแต่ธรรมชาติที่มีอยู่จริงอ่ะที่รู้ตัวเรามันมีไงเออถ้าไม่มีแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราไปไหนเรามาไหนเราทำอะไรอยู่มันจะรู้ได้ยังไงตรงนี้มันก็เป็นบ่งบอกให้เห็นอยู่แล้วว่าธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยที่รู้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยหรือว่ารู้ตัวเราเพียงอ่าส่วนเล็กส่วนน้อยเนี่ยมันก็มีอยู่นะ แต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเราไงเพราะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าในตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งถูกรู้กับผู้รู้ใช่ไหมในตัวเราเนี่ยในขันห้าเนี่ยมันมีทั้งตัวสิ่งถูกรู้แล้วก็ผู้รู้แต่พ้นไปจากนี้มันก็มีอีกสิ่งหนึ่งเลยถึงรู้ถึงรู้ตัวเราที่เป็นขันห้านะแล้วก็รู้ถึงว่าขันห้าเกิดดับได้ด้วยไงเออขันห้าเนี่ยมันเกิดดับขันห้าเกิดดับมันก็เป็นปกติของขันห้า แต่ธรรมชาติที่รู้ขันห้านะมันที่รู้ขันห้ามันจะเป็นขันห้าได้ยังไงเพราะเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันรู้การเกิดได้มันรู้การดับได้อ่ะแต่ขันห้ามันรู้อะไรมั่งอ่ะเออมันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้อ่ะว่ามันเกิดเวลามันดับมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะที่รู้การดับได้อ่ะเออและธรรมชาติอันนั้นนะมันจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่สมมติจะเรียก แต่หลวงพ่อก็เห็นความจริงตรงนั้นแล้วว่ามันมีอยู่มีอยู่แน่นอนนะลองบางทีเนี่ยในชีวิตจริงอ่ะในชีวิตประจําวัน ล, ลองดูสิว่าขันห้าเนี่ยขันห้าของส่วนกายก็ดีส่วนส่วนรูปก็ดีส่วนนามธทําก็ดีเวลามันมีกิริยาท่าทางต่างๆมันมีอาการอย่างไรอย่างไรอะ่ะเป็นอาการเนี่ยก็ถูกรู้ได้ฮะถูกรู้ได้จริงว่าอาการนั้นมีแล้วอาการนั้นดับเออรู้สิ่งเกิดดับได้อะ่ะ เออตรงนั้นตรงนั้นแหละมันเป็นมันมีอยู่กันแล้วกันแต่หลวงพ่อจะสมมุติชื่อว่าอะไรอ่ะก็สมมุติชื่อเพื่อเพื่อให้เข้าใจตามที่เราได้ยินได้ฟังมาบางท่านก็บอกว่าเป็นยานก็ได้นะเป็นยานรู้เป็นยานทัศนะเป็นวิมุตติยานคือเป็นยานที่มันพ้นไปจากความปรุงแต่งอย่างเงี้ยจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็น ภาษาสมมุติแต่เราเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่พ้นไปจากความปรุงแต่งแล้วเป็นความหลุดพ้นแล้วแล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาเฉมแจ้งว่าอันนั้นแหละมันไม่ใช่เราอะ่ะเพราะว่าเพิ่งมารู้จักในในขณะเพิ่งมารู้จักทีหลังถ้าเป็นเรามันก็ต้องรู้จักมันตั้งนานแล้วนะ่ะใครไม่จักไม่รู้จักตัวเราหรอใช่ไหมแต่ทีนี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมันก็จะเป็นเราไม่ได้แต่ความเป็นเราเนี่ยจริงๆริงะถ้าโดยความรู้สึกนะของเจ้าตัว ทุกคนรู้จักนะว่าความเป็นเราคืออะไรอความเป็นเราก็คือเนี่ยตัวเราตัวเราทั้งตัวเนี่ยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตรงนี้แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่ามันเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเรามันจึงไม่ใช่เราร้อยเปอร์เซนอ่าแล้วก็พอมองถึงเรื่องอ่า uh, ความเป็นทุกข์ความเป็นทุกขค์ prec, ความเปลี่ยนแปลงความสังขารเนี่ยพูดถึงเรื่องทุกข์ก็ได้จะเรียกว่าทุกข์ในใจรักก็ได้จะเรียกว่าทุกข์เวทานาก็ได้ ธรรมชาต you know ิท right? ี่รู้เราอ่ะมันไม่มีมันไม่มีอาการแบบนี้คือไม่มีทุกไตรลักษณไม่มีทุกของทุกขังเออไม่มีทุกของเวทานาไอธรรมชาติที่รู้เราอ่ะนะมันไม่มีเพราะมันไม่ปรากฏตัวผู้รู้เลยมันไม่ปรากฏอะไรให้พบให้เห็นได้เลยถ้ามันปรากฏตัวให้ถูกรู้ถูกเห็นได้มันจะเรียกว่าเป็นผู้รู้จะเป็นจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติรู้ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นธรรมชาติถูกรู้ไป เพราะฉะนั้นธรรมชาติที่รู้จริงๆไม่อาจจะปรากฏให้รับรู้ได้นะเพราะมันมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วไงว่ามันเป็นธรรมชาติรู้นะเป็นธรรมชาติรู้มันไม่อาจที่จะเป็นธรรมชาติถูกรู้ได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเรามาถกมาเถียงกันบอกว่ามันถูกรู้ได้เอา้าอันนั้นก็ไม่ใช่รู้สิมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแต่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือเป็นธรรมชาติที่มีคุ ณ, ณสมบัติคือรู้อย่างเดียว ไม่อาจจะถูกรู้ได้ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะหลวงพ่อขอยกตัวอย่างในสิ่งที่พวกเราพอจะเข้าใจกันได้นะสมมุติว่าเราพูดกันเรื่องธาตุหกนะธาตุหกมันมีอะไรก็คือมีมีธาตุดินใช่ไหมธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุในหกธาตุนี้ยมีธาตุเดียวเท่านั้น่ะที่รู้ได้ที่รู้ ที่รู้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศได้มีธาตุเดียวเท่านั้นส่วนดินน้ําลมไฟอากาศเนี่ยจะไปรู้ธาตุรู้ได้ยังไงเพราะมันไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้มันมีคุณสมบัติแค่เป็นแค่เพียงสิ่งถูกรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยมีอยู่จริงธาตุรู้เนี่ยมีอยู่จริงแต่ทีนี้ว่าเออมันก็แนี คนก็ไม่เคยพบธาตุรู้เนาะไม่เคยรู้จักมันก็มันก็พูดลาบากอ่ะเพราะนั้นคนที่รู้จักแราะว่าคือมีปัญญาเนาะรู้ว่าอะไรที่มารู้เราอ่ะนั่นแหละหลวงพ่อก็สมมุติว่าสมมุิชื่อขึ้นมาว่าอันนั้นแหละคือธาตุรู้เพราะมันมีธาตุเดียวเท่านั้นนะที่รู้อะไรได้อ่าจะเอาธาตุดินมารู้เรามันก็รู้ไม่ได้ธาตุดินไม่มีคุณสมบัติจะเอาน้ํำมาธาตุน้ํามารู้เรามันก็รู้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติ ธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศมันก็รู้เราไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนสมบัติที่จะรู้เพราะฉะนั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นคือที่มารู้เราได้คือธาตุรู้อแล้วธาตุรู้เนี่ยเป็นเป็นธาตุเป็นเอกก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเป็นหนึ่งเดียวที่รู้ได้อไม่เป็นสองอเมื่อรู้จักธาตุรู้แล้วเนี่ยธาตุรู้มีทุก มันก็จะเข้าใจเรื่องนิพพานได้เหรอคราวนี้ว่านิพพานเนี่ยคือความไม่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขคือไม่เป็นอะไรแต่ถ้ารู้มันก็ไม่เป็นนิพพานถ้านรู้ก็คือท่านรู้แต่มันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเหมือนกันคือมันมันเหมือนกับเออ่จะอธิบายยังไงอ่ะก็คือมันแตกต่างกับนิพพานตรงที่ว่านิพพานเนี่ยไม่มีรู้นิพพานรู้อะไรไม่ได้นะนิพพานไม่ไม่อาจจะเอไปรู้อะไรได้เออ แต่ถ้ารู้เนี่ยมันรู้มันรู้ถ้ารู้เน่ยรู้หมดแหละรู้ทั้งฝั่งฝ่ายปรุงแต่งรู้ทั้งฝั่งที่ไม่ปรุงแต่งเออมันคนละธาตุกันแต่ธาตุรู้นี่แหละที่จะทําให้รู้จักนิพพานได้ดินน้ําลมไฟไม่อาจจะรู้จักนิพพานได้เออแต่นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลไปนะแต่เรื่องให้ให้เป็นที่ตั้งให้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือรู้เรานี่แหละก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็มันต้องรู้ในปัจจุบันนะถ้ารู้สึกตัวเป็นไม่ยากแล้ว แต่คนส่วนมากเนี่ยยังรู้สึกตัวไม่เป็นคือเอาตัวเรามารู้ตัวเราคือมันสร้างตัวรู้ขึ้นมานะสร้างขึ้นมาเช่นสร้างโดยวิธีไหนสร้างมาเป็นผู้จ้องสร้างมาเป็นผู้เพ่งอันนี้ไม่ใช่สติไม่ใช่ธาตุรู้เพราะยังมีการจงใจมีเจตนามีการตั้งตั้งก็คือตั้งจ้องตั้งเพ่งเอาไว้อันนี้ก็ยังเป็นตัวปลอมอยู่นะแต่ก็ยังต้องใช้มันเพราะเหตุว่า มันก็ยังชัดสามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ได้นะเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยผู้ปฏิบัติ ท, ทําใหม่ๆใช่ไหมยังไม่รู้ยังไม่แจ้งแจ้งอะไรเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการจงใจนี่แหละมาเป็นผู้ดูมาเป็นผู้รู้นะแต่ต่อมาเมื่อมีประสบการณ์มากก็จะรู้เลยว่าโอ้เวลาตั้งใจจะเพ่งมันก็ถูกรู้ทุกทีไอ้ความตั้งใจเนี่ยถูกรู้นะเวลาจะเพ่งอะไรไอ้ความตั้งใจก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปนะเพราะฉะนั้นตั้งใจก็รู้ไม่ตั้งใจก็รู้อ่านะอะไรรู้ละ่ะ ก็มีธรรมชาติรู้อ่าแล้วเวลาจะเพ่งนะสมบูรณโยมจะเพ่งเมื่อก่อนจะเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเท้าเพ่งมือเนาะเพ่งลมหายใจอย่างเงี้ยเพ่งเพ่งเพื่อที่จะให้รู้ให้รู้มือที่เคลื่อนไหวให้รู้กายที่เดินให้รู้ลมหายใจเพ่งเข้าไว้เพราะว่าถ้าไม่เพ่งเน่ยมันไม่รู้ไงเพราะว่ามันมัวแต่ไปรู้ตรงอื่นก็เลยมาบังคับโดยวิธีการก็คือใช้วิธีกําหนดรู้คือเพ่งเพ่งจ้องอย่างเงี้ยโยมลองมองดูสิ ถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนโอเคเราเพ่งแต่เราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่ให้มันรู้ลมนะแต่พอมาพอเพ่งนานๆปับ๊บมันรู้ว่าโอ้ยเหนื่อยมากอ่าเริ่มรู้จักแล้วว่าเหนื่อยทําแบบเนี้ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเหนื่อยก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นการเจตนาทําอยู่นะทีนี้มันอาจจะมีประสบการณ์ไปเทียบกับการรู้ลมโดยไม่เจตนาใช่ไหมเช่นสมมติว่าโยมไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้ลมหรอกแต่เวลาโยม อวิ่งเดินหรือว่าทำรรนานอะไรเหนื่อยๆเนี่ยมันก็ระลึกรู้ได้เองว่าหายใจแรงหายใจหยาบหายใจละเอียดเหนื่อยนั่นแหละมันจะเห็นลมหายใจเองไอตรงที่ร ะ, ะลึกรู้แล้วก็รู้เองตรงนั้นแหละอันนั้นแหละเขาเรียก ว, ว่าเป็นธรรมชาติถือไม่ได้จงใจรู้ไม่ได้กําหนดรู้พอเรามีประสบการณ์เราก็จะพบว่าอ๋อไอการจงใจที่รู้กับการการจงใจรู้รรรเนาะการเจตนารู้ กับไม่จงใจรู้กับไม่เจตนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเจตนาเนี่ยมันมีน้ําหนักมีน้ําหนักในการกระทําน้ําหนักแนใ่นอนเพราะว่าจงใจหนักแต่ถ้าไม่จงใจเนี่ยเวลามันเกิดเองมันาการหายใจเนาะมันเหนื่อยมันอะไรเนี่ยมันจะรู้เองอย่างเนี้ไม่มีน้ําหนักเลยเบาหิวเลยคือเพ้อ เ, เลยรู้เลยนะแล้วเมื่อรู้เสร็จแล้วถ้าไม่กําหนดรู้ลมนะอ่ามันก็ทิ้งมันก็ทิ้งการรู้ลมมันก็ไปรู้อย่างอื่นอีก เออมันก็ไปรู้อย่างอื่นมันก็รู้ไปทั่วไปเรื่อยอะเนาะรู้ไปเรื่อ ย, อยแต่ทีนี้เวลาคาสอนก็บอกว่าเออให้อาานาปานสติก็คือให้กำหนดลมคือให้รู้ไว้ไม่ให้ขาดตอนแต่คำว่าให้รู้ไม่ขาดตอนเนี่ยตรงเนี้ยมีการเพ่งในกรรมก ำ, ำหนดอยู่แล้วแล้วก็เหนื่อยอีกมันต้องขาดตอนอยู่แล้วตามธรรมชาตินะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าให้รู้ตลอดอะมันมันเหนื่อย แต่ก็ทําไม่ได้เนาะผู้ใหม่ก็ประสบการณ์ไม่มีก็ต้องทําอย่างนั้นไปก่อนแต่เมื่อเรียนธรรมะมากๆเข้าเนี่ยมันบอกมันก็เจ็บเข้าใจเองว่าอ๋อการรู้ลมเนี่ยคือมันรู้ของมันเองไอรู้ของมันเองอะไรเขาเรียกว่าไม่มีตัวเราเป็นผู้เข้าไปกระทั่มอ่าไม่มีตัวเราเป็นผู้เข้าไปเป็นกระทําคือไม่มีตัวเราอ่ะไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้แต่มันรู้ของมันเองแล้วลมหายใจอ่ะที่มันมันหายใจอยู่แล้วอ่ะมันก็หายใจของมันเอง ทีนี้เมื่อมีปัญญามันก็จะเข้าใจได้ไม่ยากแล้วว่าโอ้ลมหายใจก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันทํางานเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมเราไม่ต้องเจตนาเราไม่ต้องจงใจแต่มันเป็นเองเรียกว่ามันเป็นเองแล้วมันก็เองหมดเลยไม่ต้องบริหารไม่ต้องจัดการไม่ต้องควบคุมไม่ต้องมีเราไปยุ่งอะไรมันเป็นของมันเช่นนั้นอยู่แล้วก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อการหายใจเนาะมันก็ไม่ใช่เราเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยากแล้ว แล้วก็ไอ้ตัวที่มาระลึกรู้เนี่ยระลึกรู้ได้เองอ่ะจะเรียกว่าสติก็ได้สัมปชัญญะก็ได้มันก็เป็นเองก็เลยเข้าใจว่าโอ้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่ใช่เราเพราะมันรู้ของมันเองถึงมีเหตุปัจจัยให้รู้มันก็รู้ของมันเองแล้วมีละเวลามีเหตุปัจจัยไม่ให้รู้มันก็ไม่รู้ของมันมันก็ไม่รู้ของมันเองก็เลยเข้าใจได้ว่าลมก็ไม่ใช่เราใช่ไหมแล้วก็สติสัมปชัญญะมันก็ไม่ใช่เราเนี่ย แล้วก็พอมีอย่างเงี้ยมีประสบการณ์เยอะๆต่อไปเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริงไปเรื่อยแหละว่าโอ้ทุกอย่างเกิดเองแบบเองเป็นเองหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ถอดถอนความเห็นผิดไปเรื่อยนะถอดถอนความเห็นผิดว่ามไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยตรงนี้มันทุกอย่างนะมันเป็นประสบการณ์หมดนะการเรียนธรรมะไม่ใช่ว่าเราไปฟังไปจําใครมาอันนั้นอ่ะมันก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่จริงๆริงอ่ะมันต้องคือเขาเรียกว่าประสบประสบพบเห็นเป็นปัจจตังอ่ะด้วยตนเอง นะแต่ก็ต้องอาศัยผู้บอกอาศัยคำภนะีเนาะพอพื้นฐานเรามันไม่มีอะไรเนี่ยออก็ต้องอาศัยสิ่งนั้นแต่เมื่อมีประสบการณ์ตรงแล้วเนี่ยมันก็จะรู้เองเห็นเองแ ล, และบางคนอะ่ะเมื่อเห็นอะไรเองเขาก็เอาภาษาพูดของเขาเองเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนมากเขาอาจจะไม่รู้ภาษาแต่เขาใช้ภาษาแบบของตัวเองล้ว น, นเลยอย่างหลงพอเทียนอย่างเงี้ยนะคือท่านหนังสือก็เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกอย่างเงี้ย แต่ทานปฏิบัติแล้วมันมีประสบการณ์รู้เองเห็นเองท่านก็พูดภาษาของท่านไปไงทีนี้ถ้าคนไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่มีในคัมภีร์เอ้าถ้าหลวงพ่เทียนบอกว่ามันไม่มีก็เพราะเขาไม่เขียนไงแต่ความจริงอ่ะความจริงอ่ะคือมันมีมันปรากฏอยู่อย่างเนี้เออเนี่ยบางทีเนี่ยที่เราบางทีเราไปยึดคัมภีร์มากมันก็มันก็มันก็พลอพลงบ้างนะนะเพราะว่าคัมภีร์เนี่ยมันไม่อาจจะบัญญัติได้หมดไม่อาจจะเขียนได้หมดหรอก ะที่รับรู้ได้จริงอรับรู้ได้ใจจริงๆอพบเห็นจริงๆอันนั้นแหละมันก็เป็นของจริงเออเป็นของจริงแต่บางทีเวลาสื่อภาษามันไม่ตรงกันคือไม่ตรงในทางสมมุติอย่างหลวงพ่อเองก็บางทีก็พูดไม่ตรงคำสมมุติที่คนเขาเรียกกันหรอกเออแต่บางทีมันก็ตรงกันเพราะฉนั้นมันเป็นเรื่องของถ้าเราลองดูทั่วไปมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยเช่นนี้เองครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านก็ไม่ได้พูดภาษาบาลีหรือว่าพูดตาม ภาษาในพระใจบิดกมากกันเท่าไหร่เนาะเพราะท่านไม่รู้ค่าไม่ท่านไม่มีความรู้อ่ะท่านพูดภาษาของท่านเนีอยลองไปดูแต่ท่านพูดภาษาของท่านหม ด, ดาาอ่ะพรผู้รู้ทำลายผู้รู้อย่างเงี้ยมีไหมเหนี่ยพระใจบิดอกก็ไม่มีอ่ะอืมทีนี้ถ้าเรามองถึงอ่าระดับปรมาจารย์เนาะตักมอสอย่างเงี้ยเวลางอย่างเงี้ยเวลางก็ไม่รู้หนังแต่ท่านรู้ของท่านอ่ะแล้วก็เราพิจารณาแล้วเออพ้นทุกข์ได้จริงอ่ะใช่ไหมเนี่ย เพรานั้นเรื่องเหล่านี train verses, really neither, ้มันจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องเออเหมือนกับว่าอย่าไปยึดอะไรมันมากในเรื่องของบางอย่างนะนะเพียงแต่ว่าเออเข้าใจได้แต่บางทีเหมือนหลวงพ่อเทียนอย่างเงี้ยท่านว่าเมื่อท่านรู้จริงแล้วเนี่ยใครจะพูดยังไงก็ได้แต่มันเป็นความรู้ของท่านของเขาแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยรู้แบบเนี้ยรู้แบบนี้แล้วประกันได้อ่ะเออหลวงพ่อเทียนเนี่ยท้าทายมากเลยนะเรื่องเรื่องเรื่องท่านเอความรู้ของท่านที่ท่านรู้อนะ ท้าทายเลยเอาคอเป็นประกันเลยอ่ะโอ้หักแน่นมากแล้วก็สมัยนั้นยมถ้าดูประวัติของท่าน่ะก็คงมีผู้คัดค้านตัวแย้งมากมายเหมือนกันการยกมือสิบสี่จังหวะของหลวงพ่อเทียนอ่ะโอ้ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกไอท่าทางแบบนี้ไม่มีก็ถูกคนะรับหลวงพ่อเทียนบอกว่าพระไตรปิฎกไม่เขียนแต่การยกมือเคลื่อนไหวมันก็เป็นกายใช่ไหมล่ะเป็นกายเคลื่อนไหวเป็นกายค้งกายเหยียด ถ้ามาดูสติปัฏฐานสูตรมันก็มีเขียนนะ เ, ออเรื่องกายเดินกายนั่งกายโคเหยียดเคลื่อนไหวโคเข้าคูออกเนี่ยแต่ท่านเหมือนกับว่ามันก็เอาสิ่งเนี้ยมาทําเป็นรูปแบบเสียเออมันจะเป็นรูปแบบก็คือแล้วก็รู้มันเออมันก็ไม่ได้ผิดตรงไหนแต่ตอนหลังก็ยอมรับแล้วยอมรับเพราะว่าเออไปเปิดดูพระไตรปิฎกเมื่อเที่ยบเคียงกันแล้วเออใช่ใชนะ่เป็นอิริยาบทแบบพระอะไรเงี้ย อ, อก็รองรับกัน เพราะนั้นนาทีนี้พวกเราที่มาฟังธรรมในห้องขับก็ดีเนาะหรือว่าจะอยู่กลุ่มไหนก็ดีนะเปิดใจรับฟังถ้าเราอยากจะมีความรู้ความเข้าใจอ่ะต้องฟังฟังก่อนและความรู้ที่เรามีอยู่อันนั้นอ่ะพักไว้เก็บในทันชักก่อนเพราะว่าความรู้ของเราก็คือข้อของเราที่รู้อยู่แล้วไงแต่ความรู้ที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ลองฟังดูเนาะลองฟังดูและพิจารณาดู บางทีมันอาจจะเก็ต um, ขึ้นก like, <and then S 1> ็ไ sort ด of like, ้เพราะว่าเปิดใจรับฟังแล้วเนาะแต่ถ้าไม่เปิดใจนะปิดกั้นลูกเดียวอะไรก็เข้าไม่ได้แล้วเอมันเป็นชาลุนถ้วยไปนะก็เปิดอย่างเข้าห้องขับอย่างเงี้ยห้องขับหลวงพ่ออย่างงี้เนาะก็ลองมาฟังหลวงพ่อดูหรือมามาฟังคนอื่นดูว่าทําไมที่หลวงพ่อสื่อสารไปทําไมเขาเข้าใจเราก็ลองฟังลองไปลองมาฟังฟังฟังด้วเขาเรียกว่าเปิดประตูใจอนะเปิดใจฟังการเปิดประตูใจฟังเนี่ยมันเป็นทั้งสติทั้งสมาธิแล้วก็ปัญญาจะเกิด แต่ถ้าเราปิดประตูใจแล้วก็เถียงย้อนเข้ามาในใจมันไม่เข้าหรอกมันมันเหมือนกับว่ามันไปขวางกั้นหลวงพ่อเคยนึกถึงเรื่องนี้มันมีประสบการณ์เนาะเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดธรรมะเนาะพูดธรรมะกับเพื่อนเนี่ยพอพูดไปไม่ได้เลยเขาเถียงหมดเลยนะเถียงเถียงเถียงคือเหมือนกับว่าไม่ยอมฟังกันอนะ่ะบางทีเขาก็ถามเราเนาะพอถามเสร็จแล้วเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็อธิบายของเขา อย่างนี้มาถามทําไมนะหลวงพ่อนึกในใจแล้วก็อีกอย่างพอเราพูดไปบ้างพ่อเคาเถียงดักหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าโอ้อย่างเงี้ยพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแล้วก็เลยหยุดพอมาเป็นอย่างเนี้ยหลวงพ่อเป็นนึกถึงเ อ, อพระธรรมวินัยน่ะสีนสองรอยี่สิบเจ็ดข้อของพระพิสูจน์เนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าพระพิสูจน์เนี่ยจะแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นใข้ที่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยอย่างนี้อาบัต หลวงพ่อก็นึกถึงเลยว่าโอ้การที่เราพูดธรรมะให้คนใดคนหนึ่งฟังแล้วเขาเถียงอ่ะเขาเถียงอ่ะมันเหมือนกับเขามีอาวุธอยู่เขาฟันเราลูกเดียวสับอย่างเดียวพอเราพูดไปมันก็สู้กับเราโอ้หนี่พวกนี้มีอาวุธอยู่ในมือถ้าเขาไม่เป็นไข้ถ้าเรายังฝืนไปพูดธรรมะให้เขาฟังอกีกมันอาบัตินิณาโอ้หลวงพ่อเก็ตในเรื่องนี้เลยว่าไอ้เรื่อง เก็ตยังไงอะคือมันเหมือนกับว่ามันมันเทียบเคียงกับกับเอพยัญชนะที่เขาพูดไว้อย่างนั้นเลยว่าโอ้มันเข้ากันได้เนี่เข้ากันได้ในเมื่อเขามีอาวุธอยู่ในมืออะคือเขาไม่ฟังแล้วอ่ะเขาจะสู้กับเราอ่ะแล้วเราไปพูดธรรมะให้เขาฟังทําไมเอพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติว่าอย่างเนี้ยถ้าคนนั้นอะเขามีลักษณะเป็นมีเขาเรียกว่าไม่ป่วยอ่ะนะแต่คนป่วยไม่ถือสาอยู่แล้วแต่เขาไม่ป่วยเนี่ยแสดงทำไม่ได้มาบาัต หลวงพ่อก็ไปมองว่าเออเนาะในพระธรรมวินัยถ้าดูรายลักษณ์อักษรก็บอกว่าผู้ที่มีอาวุธอยู่ในมืออแสดงทำไม่ได้อ๋อไอ้นั้นเขามองกันแค่ทางกายทางกายก็คือคนนั้นนะ่ะมีอาวุธอยู่จริงๆอย่างเนี้ยแสดงทำไม่ได้แต่ละเอียดกว่านั้นนะมันเรื่องของทางใจนะเนี่ยทางใจคือมันไม่ใช่การกระทําแบบคือคือทางใจก็คือมันรู้ลึกเข้าไปอีกไง ว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ถืออาวุธอยู่ในมืออาวุธก็คือพวกพวกดาบพวกมีดพวกปืนอะไรเนาะเขาไม่ได้ถือก็จริงแต่ว่าถ้าเขามีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับการแบบปฏิเสธชนล ม, ลมุนวุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ย mm. ก็ก็ไม่ควรจะจะสนทนาพูดคุยในเรื่องของธรรมะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่จําเป็นหรอกว่าเขามีอาวุธมีอยู่ในมือหรือไม่ในมือถ้ามีพฤติกรรมอย่างเงี้ย ก็ต้องก็ต้องหยุดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของหลวงพ่อเหมือนกันแหละเพราะบางทีเนี่ยก็ในชีวิตจริงๆริงบางทีที่เราก็ไม่ศรัทธาเนาะเราไม่ศรัทธาในคนนั้นคนนี้เพราะเราไม่ศรัทธาไงจริงจริงอ่ะคนนั้นคนนั้นคนนี้เขาอาจจะมีความรู้แต่เมื่อไม่ศรัทธาก็ก็คือไม่ฟังคือไม่ไปหาไม่ฟังแต่ทีนี้เราพอรู้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาเป็นอย่างนี้ว่า ขาใดก็ตามถ้าเราไปหาครูบาอาจารย์หรือไปหากัลยาณมิตรเพื่อจ ะ, สะแสวงหาความรู้เพื่อจะได้ความรู้นี่นะต้องเปิดใจรับฟังเปิดใจรับฟังเลยเว้นแต่ว่าท่านจะถามว่าเออปฏิบัติแบบไหนมาแล้วเราก็พูดให้ฟังตามที่เราทําอยู่นะแต่ทีนี้เมื่อเราพูดแล้วท่านฟังแล้วเดี๋ยวท่านก็อาจจะชี้บอกหรืออะไรเราก็พิจารณาในคําเ อ, อในคำเขาเรียกว่าในความคิดความเห็นนะเช่นท่านบอกว่าเออทําอย่างนี้เนาะ ยังเพ่งอยู่นะทำอย่างเนี้ยนะยังปฏิบัติด้วยอัตตาอยู่นะเราก็ฟังถ้าฟังเข้าใจก็คือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแต่ก็ฟังเพื่อไปพิณาทบทวนว่ามันจริงอย่างที่ท่านว่าไหมแล้วก็เมื่อเมื่อฟังแล้วก็โอเคน้อมเข้ามาพิณาเราไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้แต่ให้พิณาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราเอาความรู้ของเราเนี่ยเอาไปเต็มโหมีเท่าไหร่ก็เอาไปด้วยแล้วก็ พอไปหาท่านก็พูดเองเสียหมดเลยอะพูดหมดเลยว่ารู้อะไรมาปฏิบัติยังไงมาคือแบบพูดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้รับความรู้จากท่านอย่างเนี้ยก็เสียเวลาไปใช่ไห ม, อ, มอันนี้เป็นประสบการณ์นะหลวงพ่อก็เคยผิดพลาดมาแล้วก็เลยอยากจะบอกกับพวกเรานี่แหละว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้